ตอนที่เจ็ดสิบเจ็ดแต่งงานช้ามีลูกช้าไม่ดีเลยไม่เป็นไรหรอกครับแม่บาดแผลที่ผมเคยได้รับก่อนหน้านี้ยังหนักกว่าตอนนี้เสียอีกผมยังรอดมาได้เลยไม่ใช่เหรอนี่มันก็แค่แผลภายนอกพวกเขาไม่ได้กับจะต่อยผมให้ตายหรอกแค่อยากสั่งสอนผมเท่านั้นพวกเขาโกรธแค้นที่ผมช่วยหลิวเคอเคอออกมาไม่ได้โจเจียนเย่ยรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย หากลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้างถ้าหลิวเคอเคอเป็นลูกสาวของเขาเขาคงจะทำรุนแรงยิ่งกว่าที่คนตระกูลหลิวทําเสียอีกช่างเถอะเรื่องบางเรื่องเขาไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเพราะมันไม่มีความหมายอะไรเลยหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหิวซูเฟินก็สงบสเสงี่ยมลงไปมากไม่ใช่ว่านางกลัวคนตระกูลหลิวแต่เป็นเพราะนางไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกชายอีก นางหวังจากใจจริงว่าต่อไปหลิวเคอเคอจะใช้ชีวิตกับลูกชายของนางอย่างสงบสุขอย่าได้ก่อเรื่องวุ่นวายแบบนี้อีกเลยเมื่อหนิวซูเฟินได้พบกับหลีชิงพิงอีกครั้งอีกฝ่ายกําลังต้อนรับผู้เช่าอยู่กับเจิ้งอวินฉงภายในลานบ้านหลีชิงพิงกําลังแนะนำแขกอย่างกระตือรือร้นอาศัยอยู่ที่นี่อยู่ใกล้กับที่ทํางานของพวกคุณทั้งสองคนมากเลยข้าแถมยังใกล้กับโรงเรียนของเด็กๆด้วยนี่ก็ใกล้จะถึงช่วงตรุษจีแล้วเอาอย่างนี้แล้วกัน ค่าเช่าในช่วงตรุจีนนี้ฉันจะไม่เก็บจากพวกคุณถือว่าให้อยู่ฟรีไปก่อนแล้วเราค่อยเริ่มนับสัญญาหลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วดีไหมคะจริงเหรอครับครอบครัวที่มาขอเช่าลานบ้านมีกันสี่คนพ่อแม่ลูกเม่อหญิงผู้เป็นภรรยาได้ยินสิ่งที่หลีชิงถิงพูดก็ดีใจมากพอดีปีนี้พวกเขาไม่ได้วางแผนจะกลับบ้านเกิดไปฉลองปีใหม่หากเช่าที่นี่ได้ก็นับว่าคุ้มค่ามากจริงแน่นอนคะ่ะหลีชิงถิงกล่าวต่อ ตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวมากแล้วแม้จะยังไม่ถึงช่วงที่หนาวที่สุดแต่เงินค่าเช่าที่พวกคุณประหยัดไปได้ก็นำไปซื้อถ่านหินมาจุดเตาให้บ้านอุ่นขึ้นเถอะขยะให้เด็กๆต้องลำบากเลยตกลงครับพวกเราไม่มีปัญหาอะไรและงั้นเรามาเซ็นชื่อจ่ายเงินกันตอนนี้เลยได้ค่ะลีชิงพิงจำตัวหนังสือได้ไม่กี่ตัวนางจึงให้เจิ้งอวินฉงช่วยดูว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่จากนั้นก็ให้เขาเซ็นชื่อส่วนนางเป็นคนเก็บเงิน นิ้วซูเฟินมองเงินร้อยกว่าหยวนที่หลีชิงผิงเพิ่งเก็บเข้ากระเป๋าด้วยความอิจฉาตาร้อนนางเบะปากพลางคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้ทําธุรกิจไม่เป็นอาเสียเลยกว่าจะถึงปีใหม่อย่างน้อยก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งเดือนครึ่งขาช่าตั้งเดือนครึ่งจะไม่เอาเชียรหรือนั่นมันเงินตั้งสิบกว่าหยวนเลยนะเจิ้งอวิ๋นชงมอบกุญแจให้หลังจากนี้เป็นเวลาหนึ่งปีลานบ้านหลังเล็กนี้จะเป็นของครอบครัวทั้ง4ในช่วงเวลานี้หากมีสิ่งของใดในบ้านเสียหายพวกคุณต้องรับผิดชอบซ่อมแซมมมมเองแต่่ถ้้าาาาีปัญหหญหหหใๆก็าาผได ได้ครับพวกเราจะใช้ของทุกอย่างอย่างระมัดระวังจะไม่ทําลายของเดิมที่มีอยู่แน่นอนหวังว่าครอบครัวของพวกคุณจะอยู่อาศัยที่นี่อย่างมีความสุขนะคะขณะที่หลีชิงผิงกับเจิ้งอวิน๋นฉงกําลังจะเดินจากไปนางก็เห็นหนิวซูเฟินยืนชะเง้อมองมาจากลานบ้านข้างๆหนิวซูเฟินไม่ได้พูดอะไรหลีชิงผิงเองก็ไม่ได้สนใจนางเช่นกันเฮ้อ <c oughs> ในที่สุดนางผู้หญิงชั้นต่ําคนนี้ก็คว้ากิ่งไม้สูงได้สําเร็จสินะ แม่ด่าใครหนะโจเจี้ยนเ ย, ย่ได้ยินชัดเต็มสองหูเขาขามวดคิ้วด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งผมต้องบอกแม่กี่ครั้งแม่ถึงจะจําได้ตอนนี้หลีชิงผิงมีฐานะไม่ธรรมดาแม่จะไปด่านางไม่ได้หรือว่าแม่ยากจะถูกขังคุกเหมือนเคอเคอแม่ด่าตอนที่นางไม่ได้ยินนี่หนาะแอบด่าเบาๆเองหน้าต่างมีหูประตูมีช่องโจเจี้ยนเ ย, ย่กล่าวอย่างราคาญใจตอนนี้ผมพักผ่อนพอแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปฝึกซ้อมที่กองทัพ ไม่ได้นะทำไมลูกไม่พักผ่อนที่บ้านต่ออีกสักสองสามวันละ่ะแผลบนหน้ายังไม่หายดีเลยใครเห็นเขาคงได้หัวร้อยเยาะเอาแน่หลายวันมานี้หนิวซูเฟินคอยดูแลโจจี้นเยี่ยเป็นอย่างดีรอยฟกช้ำบนใบหน้าของเขายังคงเขียวคล้ำเป็นจ้ำๆดูน่ากลัวอยู่บ้างแม้จะไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ก็ไปที่สถานอนามัยแถวนี้เพื่อขอยาแก้ฟกช้ำ ม, มาทาไม่ว่ามันจะช่วยได้จริงหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ช่วยเรื่องสภาพจิตใจตอนนี้ผมยังต้องกลัวพวกเขาหัวรอยเยาะอีกเหรอรับหลังนะักคนเขาหัวระะ้อยผมจนอิ่มไปนานแล้ว มุมปากของโจเจี้ยนเยี่ปรากฏรอยยิ้มขื่นขมแม่ครับอย่ามายุ่งเลยต่อไปเรื่องของผมแม่ไม่ต้องมายุ่งแม้แต่เรื่องเดียวผมไม่อยากให้แม่มายุ่งอีกแล้วผมกลายเป็นแบบนี้แม่กล้าพูดไหมว่าแม่ไม่มีส่วนรับผิดชอบเลยแม้แต่นิดเดียวแม่หนิวซูเฟินไม่กล้าเถียงลูกชายนางเบะปากอย่างเสียไม่ได้แม่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแม่ก็แค่หวังดีกับลูกไม่ใช่เหรือถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไม่คงไม่ยอมให้พวกแกสองคนหยอกกันหรอกแม่ผิดไปแล้วไม่ได้หรือไงถ้าการขอโทษมันมีประโยชน์ผมก็คงไม่ต้องกลายเป็นนนแบบทุกวัี้ โจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่อยากเอ่ยถึงหลี่ชิงถิงอีกตอนนี้นาะงมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเขาไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปรบกวนนางอีกเป็นแบบนี้แหละดีแล้วโจวเจี้ยนเย่ยจ้องคุณไม่วางตาเลยเจิ้งวินชงประคองหลี่ชิงถิงขึ้นรถและจัดแจงที่นั่งให้เรียบร้อยน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจเขามองอะไรนักหนาอยากจะเคลอลูกตาหมอนั่นออกมาจริงๆดวงตาก็อยู่ที่ตัวเขาเขาอยากจะมองก็เรื่องของเขาหลี่ชิงถิงหัวเราะเบาๆทำไมล่ะคะแค่มองก็ไม่ได้เหรอ ไม่ได้ก็ได้แค่นั้นฉันไม่ให้เขามองฉันจะให้คุณมองคนเดียวดีไหมคะดีเจิ้งอวิ๋นฉงพูดด้วยน้ำเสียงผดเด็จการเดิมทีก็ต้องมีแค่ผมคนเดียวที่มองได้อยู่แล้วลีชิงพิงคำกับคำพูดของเขาเมื่อก่อนนางมักจะรู้สึกว่าเขาดูเคร่งครวมตลอดเวลาแต่พอได้อยู่ด้วยกันนานเข้าเขาก็มีความน่ารักอยู่ไม่น้อยคำพูดแบบนี้คุณพูดต่อหน้าฉันก็พอแล้วนะคะถ้าไปพูดต่อหน้าเด็กๆมันจะดูเหมือนผู้ใหญ่ทําตัวไม่น่าเคารพเว่ยเหล่าผู้จุนเอาได้นะ เจิ้งอวิ๋นชงรู้สึกสะเตือนใจกับคําพูดของหลีชิงถิงผู้ใหญ่ทําตัวไม่น่าเคารพนั้นเหรอผมแก่มากเลยเหรอเปล่าค่ะหลีชิงถิงไม่ได้รู้สึกว่าเขาแก่จริงๆนางแค่รู้สึกว่าในฐานะผู้อาวุโสไม่ควรทําตัวเล่นหัวแบบนี้ต่อหน้าเด็กๆแต่เจิ้งอวิ๋นชงกลับฟังคําอธิบายของหลีชิงถิงไม่เข้าหูเขาได้ยินเพียงว่าหญิงสาวรังเกียจว่าเขาแก่อายุของเขาในตอนนี้ก็นับว่าไม่น้อยแล้วจริงๆ คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจเพียงประโยคเดียวของหลีชิงผิงทำให้หลังจากนั้นเจิ้งอวิ๋นชงก็แสดงอาการผิดปกติออกมาอย่างมากตัวอย่างเช่นในเช้าที่อากาศหนาวเหน็บเขากลับตื่นขึ้นมาโดยไม่สวมเสื้อผ้าแล้วเริ่มฝึกซ้อมร่างกายในห้องทันทีหลีชิงผิงบอกให้เขาสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อเลี่ยงการเป็นหวัดแต่เจิ้งอวิ๋นชงกลับยืนกรานว่าผมยังอยู่ในเวชการไม่เป็นหวัดง่ายๆหรอกหลีชิงผิง แม้แต่เจ้าชุนฮวาก็ยังสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของเจ้างวินฉงเมื่อถามลูกสะายถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนางจึงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะยย้ํเขาช่างไร้เดียงสาจริงๆแม่คะตอนนั้นหนูแค่พูดลอยๆไม่ได้มีความหมายอื่นเลยจริงๆคะ่ะแม่รู้ว่าเจ้าไม่ได้คิดอะไรต่อให้คิดแล้วจะทําไมล่ะอายุของเขาตอนนี้มันก็เห็นๆกันอยู่จะไปเหมือนกับพวกเด็กหนุ่มวัยยี่สิบกว่ า, วาได้ยังไงเจ้าชุนฮวาหัวเราอพลางกล่าวว่า ต่อให้พยายามทําตัวเป็นวัยรุ่นแค่ไหนเขาก็เป็นคนที่ใกล้จะสี่สิบแล้วอีกไม่กี่ปีเศร้าเหิงก็ถึงวัยที่ต้องแต่งงานมีเมียลำดับอาวุโสของพวกเจ้าก็ต้องขยับขึ้นตามไปด้วยเอ๊ะแม่หมายความว่าหนูใกล้จะได้เป็นย่าคนแล้วเหรอคะใช่แล้วละ่ะส่วนแม่ก็เป็นย่าทวดลีชิงพิงตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าการเวลาไม่เคยรอใครวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนางกาลังตั้งท้องอยู่จึงยังไม่รู้สึกอะไรมากนะัก แต่ถ้าลองคำนวณดูดีๆกว่าลูกในท้องจะถึงวัยแต่งงานพวกนางก็คงจะใกล้เข้าสู่วัยหกสิบกันแล้วถ้าลูกแต่งงานช้าบางทีพวกนางอาจจะไม่ได้อยู่เห็นลูกแต่งงานด้วยซ้ำ